ถ้าพี่โบฝึกเกิดในมวลประจําภาษาทางอื่นก็นได้เดี๋ยวนี้พันาษาหลังยังมีครับผมสั่งต้องเสื้อฟังอันนี้เป็นคําสั่งด้ยครับคําสั่งบอกให้พัมอย่างนั้นต้องทําโบทบําโบได้มันเป็นการลบลางมันเป็นการนีละคุณผมพูดด้วยคุณจริงใจเพื่อความหวังดีต่อพรรพวกทุกโอนเงนคือการพระคือกัญญาโยมคือกัน อย่าว่าผมดีแล้วบโบดีควมดีของมูอเราซื้อนะเนี่ยทอกำปั้นเลยควมดีของผมทอกีก้อยดีกว่าทําไมจึงว่าดีกว่าคันมูนว่าผมโบดีคนมาจำพรรษานำผมหลายคนท่านดีขั้นไปประจำ น, นำดับให้คิดจังสิยุดเสมอผมว่งดีมีคนมาผมก็รับตอนบบมีทางไปผมรับ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 ที่มาพิษ ธ, ธรรมะอันนี้ขึ้นมาผมว่าญานี้คนจำนวนในเมืองไทยเนียวก้ากว่าล้านคนว่พอล้านคนได้ว่าธรรมะแบบผมนีครับจังหวัดเลยเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยผู้หนึ่งครับเลนปฏิบัติมาเป็นโยมิเสด้วยนี่นะครับผมเสียสละทุ่มเทมาตั้งแต่เป็นโย ม, มครับผมว่าธรรมะอันนี้ทำให้คนทุกคนคนทุกประเทศจริงจริง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 มานี่บอหงอบองงอแท้ๆจีงงอจังใดขันงะคนจีมันสีสอนคนดีบอกมันก็ไปเอาเอาใจคนสนว้หมอต้องเอาใจสอนทุกอย่างผมสู้บุรีครับเขานี่ผมว่าเห็นสู้บุรีมันโก้เขาเอยากระป่องผุน่ามือแดงมัดพอดีผมปฏิบัติธรรมน้นเลิกได้ตั้งแต่บจิโภคเท้ามือนี้ครับ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 กับเข้ารียบแต่เข้าเรีย บ, ย บ, บ, บมันไม่ได้ตำบทัดเป็นขี้แก่มีค่าคลายๆกันหำ้ำดีกว่าขี้แกีดีกว่าเข้าดีครับเข้าวปลายดีกว<ำ>่าห้ำข้าหักเครื่องหักกลางก็งดีกว่าหั่นไปได้เป็นเข้าวทีนึงครูบาอาจารย์เขาจะบอกเองดอกเออมีมนพระโอนั้นไปมีมนพระอง์นี้ไปนั่นครูบาอาจารย์ฝุกดีแล้วนําสุกมาให้เอง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 แล้วเอาเตาย่างของคนสัวมาให้คนดีสะด้วยนี่มันโบดีอย่างันมันที่ผมว่าให้เกี่ยกกับมือลับัวทุกองทีเดียวสั่งเด็กขาดแล้วถ้าหากจะอยู่ก็ต้องตั้งใจลงมือทากันไปกลาว่สามโมงตีสามลุกเดินจมูมทุกองค์นั่งสมาธิทุกองตอนแรงก็ต้องอาบน้าลงน้ำ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 เขาความมูเจนพุงแตกกับโบเป็นโบเป็นครูโบเป็นอาจารย์โบเป็นหน้าที่ที่ไปสอนเขาแล้วเขาบอมีหน้าที่เดชไทยสร้างเฮามวยไทยสั่งหอ่งเหอเห็ดเอาคนว่าคนอวดดีโ mm hmm. บดีดีในตัวอยากเอาคมซัวไปให้มูเห็นโบแม่ <Moment. S 2> คนดีแล้วเขาจะมีคนบอกเขาเห็นฝีมือมันดีเฮ็ดมันดีเขาจากักใสเห็นว่าฝีมือโบดีแล้วก็ <Hey. S 2> เขาจางใส่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 ซี่เสพติดทุกประเภทยานนำเข้ามาดูว่เห็นวาสันตาจะมันเห็น